153. ยานาธิปติเขปะว่าด้วยทรงห้ามยานพาหนะเป็นต้นเรื่องพระฉับพักขี่โดยสารยานพาหนะและภิกษุเป็นไข้ 253. สมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขี่โดยสารยานพาหนะเทียมด้วยโคเพศเมีย มีบุรุษเป็นสารถีบ้างเทียมด้วยโคเพศผู้มีสตรีเป็นสารถีบ้างคนทั้งหลายจึงตำหนิประนามโพรธนาว่าเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวโดยสารยานพาหนะไปเล่นน้ำในแม่น้ำคงคาและแม่น้ำมหีภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงโดยสารยานพาหนะรูปใดโดยสารต้องอาบัตทุกกฎต่อมาภิกษุรูปหนึ่งเดินทางไปกรุงสาวัตถีในแคว้นโกสนเพื่อจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเป็นไข้ในระหว่างทางจึงแวะไปนั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่ง คนทั้งหลายพบภิกษุรูปนั้นจึงถามว่าพระกุณเจ้าจะไปไหนขอรับภิกษุตอบว่าโยมทั้งหลายอาตมาจะไปกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคคนเหล่านั้นกล่าวว่านิมนต์มาเถิดพระกุณเจ้าเราจะไปด้วยกันภิกษุตอบว่าอาตมาเป็นไข่ ไปไม่ได้คนทั้งหลายกล่าวว่านิมนต์มาขึ้นยานพาหนะเถิดพระกุณเจ้าภิกษุตอบว่าอย่าเลยพระผู้มีพระภาคทรงห้ามโดยสารยานพาหนะยำเกรงอยู่ไม่ยอมขึ้นยานพอไปถึงกรุงสาวัตถีจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบภิกษุทั้งหลาย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 ยานพาหนะเทียมด้วยโคเพศผู้และยานพาหนะที่ใช้มือลากครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายได้มีการสนทนากันดังนี้ว่ายานพาหนะที่ทรงอนุญาตนั้นเทียมโคเพศเมียรหรือโคเพศผู้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตยานพาหนะที่เทียมโคเพศผู้ยานพาหนะที่ใช้มือลากเรื่องคารหามสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งไม่สบายอย่างหนักเพราะยานพาหนะกระเทือน